คู่มือมนุษย์เรื่องอำนาจของความยึดติดหรืออุปาทานเราจะปลีกตัวถอนตัวออกมาเสีย จ, จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรคำตอบก็คือจะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เราอยากจนเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อรู้ต้นเหตุเราอาจจะตัดความยึดติดเสียได้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 มีความติดพันในสิ่งที่น่ารักที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสัญชาตญาณของคนเราย่อมรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินหรืออร่อยอร่อยในการมาคุณห้าอย่างนี้ตามหลักธรรมในพุทธศาสนาขยายออกไปเป็นหกคือมีธรรมารมเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง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 และยึดยิ่งขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับอย่างแน่นแฟ้นเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะสอนได้ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นมิฉะนั้นความยึดติดนี่แหละจะนำไปสู่ความวินาศทิพย์หาย ขอให้เราพิจารณาดูความวินาศชิบหายของคนทั่วๆไปตามปกติจะเห็นได้ว่ามีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่ารักอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้วทุกอย่างที่มนุษย์ปุถุชนทำกันอยู่ไม่ว่าอะไรล้วนแต่มีมูลค่าจากกามรมณ์ทั้งนั้นคนเราจะรักกันโกรธกันเกลียดกันอิจฉาริษยาฆ่าฟันกัน หรือฆ่าตัวตายก็ตามก็จะต้องมีมูลมาจากกามารมการที่มนุษย์ต้องทำงานขวนขวายหรือทำอะไรก็ตามเราอาจจะสืบสาวราวเรื่องไปแล้วจะพบว่าเขามีความอยากใคร่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาอุตสาหเล่าเรียนประกอบอาชีพก็เพื่อให้ได้ผลมาจากอาชีพเราก็ไปสแสวงหาความสบายใจในทางรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสมาบำรุงบำเรอตนแม้แต่เรื่องทำบุญอธิษฐานได้ให้ไปสวรรค์ก็มีมูลมาจากความหวังในทางการมารมทั้งนั้นรวมความแล้วความยุ่งยากปันป่วนของโลกทั้งสิ้นมีมูลมาจากการมารมนั่นเองกามารมมีอำนาจร้ายกาถึงเพียงนี้ก็เพราะอำนาจของกามุ ป, ปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นในกามตัวนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เป็นอุปาทานขั้นต้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับโลกโดยตรงโลกจะวินาศชิบหายหรือจะเป็นอะไรก็ตามย่อมมีมูลมาจากกามุปาทานนี้โดยเฉพาะเราควรจะพิจารณาตัวเราเองว่าเรามีความติดในกามอย่างไรเหนียวแน่นเพียงไร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 ความติดกามจึงเป็นสิ่งที่ต้องละกันให้หมดสิ้นในที่สุดจึงจะดับความทุกข์ทั้งปวงได้ 2. ทิฏฐปาทานคือยึดติดในทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ตนมีอยู่เดิมๆเป็นสิ่งที่พอมองเห็นและเข้าใจได้ไม่ยากพอเราเกิดมาในโลก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 ถ้ายึดติดในความเห็นเดิมๆของตัวเองอย่างดื้อดึงแล้วก็อาจถึงกับจะต้องปรับปรุงทิฏฐิของเราให้ถูกให้ดีให้สูงยิ่งขึ้นคือจากความเห็นผิดให้กลายมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องและถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดชนิดที่รู้อริยสัจดังที่ได้บรรยายมาแล้วทิฏฐิที่เป็นความดื้อถือรันนั้น มีมูลมาจากหลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมักจะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือลัทธิศาสนาเป็นส่วนใหญ่ทิฏฐิดื้อรั้นเป็นของส่วนตัวเองล้วนๆ น, นั้นยังไม่เท่าไรเพราะไม่มากมายเหมือนที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเคยถือกันมาที่ค่อยๆ อ, อบรมสะสมกันมากขึ้นมากขึ้น ทิฏฐิต่างๆนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้หรืออวิชชาเมื่อไม่รู้ก็มีความเข้าใจเอาเองตามความโง่เดิมๆของตนเช่นเห็นว่าสิ่งนี้น่ารักน่ายึดถือสิ่งนี้เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเป็นตัวตนแทนที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้น อะไรอะไรที่ตนเข้าใจมาแล้วล้วก็ต้องไม่ยอมรับว่าผิดทั้งที่บางทีตัวเองก็เหมือนอยู่ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมความเป็นผู้ดื้อดึงซึ่งหน้าอย่างนี้นับว่าเป็นอุปสรรคหรือศัตรูของคนเราอย่างยิ่งมันทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นผิดในลทัทธิศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆที่เคยหลงเชื่อมาแล้วแต่เดิมได้ ปัญหานี้ย่อมจะเกิดแก่บุคคลผู้ถือลัทธิศาสนาที่ยังต่ำๆอยู่ทั้งๆ ท, ที่ตนเห็นว่าต่ำหรือผิดก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขามักถือซสว่าบิดามารดาปูยญาตายายเคยถือกันมาหรือถ้าไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับจะแก้ตัวขึ้นมาจริงๆก็ว่าเป็นสิ่งที่เคยถือกันมานมานานแล้วเป็นต้นเพราะเหตุนี้เอง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 เคยทำมาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ้างแม้ที่อ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาก็ยังยึดมั่นถือมั่นกันไว้คนละอย่างสองอย่างหรือแม้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังมีการยึดถือในทํานองนี้ด้วยอุปาทานยิ่งเป็นลัทธิศาสนาที่ถือพระเป็นเจ้าถือเทวดาถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้ว จะมีการถือชนิดนั้นมากทีเดียวซึ่งสำหรับชาวพุทธเราไม่น่าจะมีอย่างนั้นเลยข้อนี้เป็นเพราะเมื่อประพฤติธธ ร, รมข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายเดิมไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่เหมาสันนิษฐานเอาเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมาทานศีลหรือประพฤติธธ ร, รมแต่เพียงตามแบบฉบับตามประเพณี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 หรือศีลเท่าใดก็ตามถ้ารักษาโดยคิดว่าจะเป็นผู้ขลังเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์จะมีอำนาจฤทธิเดชอะไรขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกิจวัตรที่มุ่งผิดทางทำไปโดยอำนาจสีละพัตุปาทานี้ทั้งนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการประพฤติแปลกๆของพวกภายนอกพุทธศาสนาก็ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากๆ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 สัญชาตญาณต่อสู้อันตรายหลบหนีอันตรายสัญชาตญาณสืบพันธุ์และอื่นๆ อ, อีกมากซึ่งล้วนแต่อาศัยสัญชาตญาณเห่งความรู้สึกยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นมันต้องยึดมั่นว่ามีตัวเราซะ ก, ก่อนมันจึงไม่อยากตายมันจึงอยากหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอยากต่อสู้เอาตัวรอดหรืออยากจะสืบพันธุ์ของมันไว ความยึดถือว่ามีตัวตนนี้มีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะมีชีวิตรอดมาไม่ได้แต่อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุก์ในการแสวงหาอาหารในการต่อสู้ในการสืบพันธุ์หรือในการทำอะไรทุกๆอย่างฉะนั้นจึงกล่าวว่ามันเป็นรากฐานแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วย ข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นใจความโดยสรุปสั้นที่สุดว่าสิ่งต่างๆที่คนมีอุปาทานเข้าไปยึดมั่นเข้าไปยึดถืออยู่นั่นแหละเป็นตัวความทุกข์หรือเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์หรือร่างกายและจิตใจที่คนเข้าไปยึดถือด้วยอุปาทานอยู่นั่นแหละเป็นความทุกข์อุปาทานข้อนี้เป็นต้นกาเนิดของชีวิตและเป็นต้นกาเนิดของความทุกข์ต่างๆ คำที่ว่าชีวิตคือความทุกข์ความทุกข์คือชีวิตท่านก็หมายถึงข้อนี้เองการที่เรารู้จักมูลกําเนิดของชีวิตและของความทุกข์น่าจะถือว่าเป็นการรู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดและควรรู้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นทางที่ทําให้เราสามารถกําจัดความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดข้อนี้อยากจะอวดด้วยว่า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 จึงใคร่ขอรบเรา้าท่านทั้งหลายให้สนใจในเรื่องอุปาทานทั้งสี่อันเป็นเรื่องแสดงให้เห็นว่าทั้งๆ ท, ที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราทั้งหลายก็ยังตกเป็นบาวเป็นทาตของมันอย่างเหนียวแน่นเพราะอำนาจของอุปาทานทั้งสี่นี้เองฉะนั้น เราจะต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นพิษร้ายนี้ให้มากที่สุดสิ่งนี้ไม่ได้แสดงตัวเป็นพิษเป็นอันตรายอย่างการลุกโร ง, งของไฟหรือรู้จักได้ง่ายๆอย่างอาวุธหรือยาพิษแต่มันเร้นลับแนบเนียนอยู่ในลักษณะเป็นของหวานอร็ดอร่อยหอมหวานยวนใจเป็นของสวยงามเป็นของไพเราะทั้งสิน้นเมื่อมันมาในลักษณะเช่นนี้ ย่อมเป็นการยากที่เราจะรู้สึกตัวหรือควบคุมมันได้จึงต้องอาศัยสติปัญญาความรู้ของพระพุทธเจ้าและจะต้องศึกษาปฏิบัติควบคุมความยึดมั่นที่ผิดๆเหล่านี้ให้อยู่ในอำนาจของปัญญาเราก็สามารถดำรงชีวิตนี้ไม่ให้มีความทุกข์ทรมานหรือทุก์แต่น้อยที่สุดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่เยือกเย็นมีความสะอาดสว่างสงบเย็นอยู่ได้ขอสรุปความว่าอุปาทานทั้งสี่นี้เป็นปัญหาอันเดียวที่พุทธบริษัทหรือผู้ประสงค์จะรู้จักตัวพุทธศาสนาจะต้องเข้าใจให้ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการรักษาพรหมจรรย์นในพุทธศาสนานี้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 ให้ตกเป็นาธาตุของโลกหรือเวียนไห้ตายเกิดอีกต่อไปเรื่องจึงจบสิ้นกันหรือกลายเป็นโล ก, กุตระคือพ้นโลกเพราะเหตุฉะนั้นการหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดผิดจึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา